เมื่อ30ิปีที่แล้วพื้นที่ที่ตรงข้ามกับที่อยู่หน้าศาลาที่เรากำลังนั่งอยู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่วัดนะมันเคยเป็นที่ของชาวบ้านครอบครัวหนึ่งแล้วเขาก็ทำสวนทำไร่แต่ตอนหลังเขาก็ย้ายออกไปเพราะว่ามีปัญหา คือสามีก็เมาเหล้าแล้วก็โกรธเมียโกรธภรรยาก็เอามีดฟันข้อมือขาดพ่อของผู้หญิงก็โกรธนะแล้ววันนึงก็หาทางไปแก้แค้นฆ่าฆ่าลูกเขยตายในทุ่งนาก็เลยเป็นว่าครอบครัวนี้ก็แตกสลาย ก็เลยอพยพย้ายไปที่อื่นตอนหลังเขาก็ขายที่ให้กับทางวัดนะตอนที่อตอนใหม่ๆเนี่ยอาตามาก็นึกว่าไอ้ที่ทั้งหมดนี่นะเราจะทำอะไรกับที่นี้ก็ได้นะเช่นเก็บพริกเก็บผักนะเพราะว่ามันเขาปลูกค้างเอาไว้แต่ปรากฏว่าเก็บ <laughs> ไม่ได้นะเพราะว่า เขาขายที่ให้เราก็จริงแต่ว่าต้นไม้บนที่แล้วเนี่ยเขาขายให้กับชาวบ้านอีกคนหนึ่งนะในหมู่บ้านนี้ให้เราก็งงนะไม่มีอย่างนี้ด้วยเออนะทีแรกเขาแจวว่าทางเขาขายที่ทุกอย่างบนที่นั้นก็เป็นของเราแต่นี้เป็นความเข้าใจของเราคนเมืองฝ่ายเดียวนะแต่ชาวบ้านนี่เขามองว่าที่ก็อันนึงนะต้นไม้หรือว่าพริกผัก บนที่นั้นเนี่ยยังเป็นของเขาอยู่เขามีสิทธิ์จะขาย ใ, ใครก็ได้แล้วเขาก็ขายให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นนี่เราจะไปเก็บผักเก็บพริกหรือว่าโค่นต้นไม้ไม่ได้นะทางที่เป็นที่ของเรานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจหรือประเพณีที่ต่างกันนะประเพณีนี้มันก็เป็นเรื่องของความเห็นพ้องต้องกันนะ แต่ละที่แต่ละแห่งก็มีความเข้าใจต่างกันนะเหมือนกับที่นี่เนี่ยนะเวลารถขึ้นมาบนเขาเนี่ยจะสังเกตนะรถชาวบ้านเนี่ยหรือว่ารถโดยสารเนี่ยเขาจะกดตแตรกดตแตรเพื่อการเป็นการแสดงความเคารพศาลเจ้าที่ดูแลภูเขาลูกนี้นะเวลาเราลง ไปแก้งคอเนี่ยจากทถมารถไฟเนี่ยขาชาวบ้านเขาจะกดแตรรุ่นเก่าๆเานะี่ยรุ่นนี้ไม่ไม่ทราบแล้วการกดแตรนี่เป็นการแสดงความเคารพนะแต่ถ้าเป็นในเมืองหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศนี่กดแตรนี่แปลว่าดา่านะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ต่างกันหรือว่าภาษาพ่าเรียกว่าสมมุติที่ต่างกันสมมุตินะก็คือสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันหรือความเห็นร่วมกัน ที่นี่เนี่ยนาโยมอาจจะนั่งขัดสมาธินะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเคยมีชาวขเขมรแกมาที่วัดจก ต, ตกใจนะเห็นคารวะญาโยมนี่นั่งขัดสมาธิแทนที่จะนั่งพับเพียบต่อหน้าพระเพราะแกเห็นว่าการนั่งขัดสมาธินี้ไม่สุภาพนะต้องนั่งพับเพียบนะมาแล้วตกใจ ถาว่าคนไทยนี่ไม่สุภาพเลยนะในขณะที่ฝรั่งเนี่ยเวลาเขายืนานาย่นเท้านั่งแล้วเขายื่นเท้ามาที่หน้าเราเนะี่ยเขาจูบสวยเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าเราถือว่าเขาไม่สุภาพนะนั่งแล้วมายื่นเท้ามาที่หน้าเราหรือว่าหน้าพู้ถ่ายรูปเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องประเพณีนะนะทางภาษาพหาุว่าเป็นเรื่องของสมมุติที่ต่างกัน คำ ว, ว่าสมมุตินี่มันมีความหมายที่กว้างมากนะมันแปลว่าสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันอย่างพระราชาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเป็นสมมุตินะในพระไตรปิฎกก็จะบอกว่าเป็นสมมุติเป็นสมมุติิเทพคือเทพที่เกิดจากการสมมุติเอานะเห็นพ้องต้องกันนะก็ยกให้เป็นเทพนะ สมมุตินี่มันมีความสำคัญที่ครอบงำชีวิตจิตใจเราโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นแก้วน้ำหรือว่าบ้านหรือว่าถาดภาชนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าแก้วมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าภาชนะมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าบ้าน แล้วเราก็เห็นพ้องต้องการย้อนรับต้องการว่าอย่างนี้นะ่เรียกว่าแก้วอย่างนี้เรียกว่าบ้านอย่างนี้เรียกว่าภาชนะแต่ว่าไปไปม า, มาเนี่ยเราเชื่อจริงๆนะว่ามันมีแก้วอยู่มันมีมันมีตัวแก้วอยู่มันมีตัวบ้านอยู่มันมีตัวภาชนะอยู่ที่จริงนะมันไม่มีนะมันมีแต่สิ่งที่เรียกว่าแก้วนะคำว่าแก้วนี่เป็นคําสมมุติ ที่ใช้เรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเป็นมือนก็คำว่าบ้านแล้วก็คือคำสมมุติที่ใช้เรียกไม้ที่มาประกอบกันรถนี่ก็มันเป็นคำสมมุติที่ใช้เรียกนะวัตถุกลไกต่างๆที่มาประกอบกันแล้วเคลื่อนไหวได้เราก็เรียกว่ารถนะทีแรกเราก็รู้กันแบบนี้แต่ไปไปมาๆนะั้นเราก็เชื่อว่ามีตัวรถจริงๆเราก็เชื่อว่ามีตัวบ้านจริงๆอันนี้แหละคือความหลงแล้วนะเพราะมัน เกิดความเข้าใจว่ามีอัตตามีอัตตาที่ที่เป็นบ้านที่เป็นแก้วนะสมมุตินี่มันหลอกเราจนทำให้เราเชื่อแล้วคนเรานี่ก็หลงสมมุติมากนะอย่านงะเช่นเราสมมุติว่านี่เป็นทองเราสมมุติว่านี่เป็นเพชรนะเราสมมุตินี่ว่านี่เป็นรูปประคำรูปประคำหายนี่เราเฉยๆนะแต่ถ้าเพชรหายเมื่อไหร่นี่เรา ช็อกเราตกใจเรากลุ่มใจเลยอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นท่าของสมมุติแล้วนะจริงๆไม่ต้องดูอื่นไกลนะเวลาเราเคี้ยวข้าวนะเราเคี่ยวข้าวเราเคี่ยวอาหารอาหารไม่ว่าจะเลอะเลอะอะเลงไรก็ตามเราเคี้ยวเราเคี้ยวด้วยความมันลอยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเคี้ยวอยู่ในปากอร่อยเราเรียกสิ่งนั้นว่าอาหารแต่ถ้าเกิดเราคลายออกมาวางไว้ในจานเนี่ย มันเป็นอาหารต่อไปไหมมันไม่ใช่อาหารเราเรียกว่าอะไรแล้ว เ, เรียกว่าขยะแล้วเราก็ไม่อยากกินมันเห็นแล้วขยะขยแยงทั้งที่มันออกมาจากปากเราและเมื่อสักครู่นี้เรายังอร่อยกับมันอยู่เลยลเราอยากจะดื่มดมรสอร่อยนะไม่ว่าจะเป็นหูฉลามไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างอร่อยเหลือเกินนะไม่อยากจะกลือเลยนะอยากจะเคี่ยวไปเรื่อยๆเพื่อ ซึมซับรับรสชาติวความเปเลิศอร่อยแต่พอเราคายออกมาเห็นมันแล้วเนี่ยเรากินไม่ลงแล้วความรู้สึกตรงข้ามความรู้สึกแรกตอนที่เคี้ยวอยู่ในปากคือราคะความชอบนะแต่พอค า, ายออกมาแล้วนี่เราไม่เรียกว่าอาหารเราเรียกว่าขยะทั้งที่มันอันเดียวกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ในคนละที่ถ้าอยู่ในปากเราเรียกว่าอาหารนะถ้าออกมาจากปากเราเรียกว่าขยะ อันนี้เป็นอิทธิพลของสมมุตินะพอเราเห็นพอเราเห็นพอเราเห็นว่านี่คือขยะเราก็กินไม่ลงแล้วเราก็สึกเกิดความรู้สึกผักใสมันมนุษย์เราเนี่ยนะตกเป็นทางของสมมุติมากนะถูกสมมุติครอบงำกำกับทีแรกเราก็สร้างสมมุติขึ้นมาเหมือนกับเราสร้างทางทีแรกแน่ทางเนี่ยเราเป็นคนสร้างมันทางจะไปทางไหนอยู่ที่เรา แต่พอเราสร้างเสร็จนะทางมันกำกับเราแล้วเราไปทางไหนอยู่ที่มันแล้วเนะทีแรกเนี่ยทางจะไปไหนเนี่ยจะขึ้นเหนือลงใต้อยู่อยู่ที่เราแต่พอสร้างเสร็จนะเราต้องเดินตามมันแล้วนะสมมุติก็เหมือนกันนะเราทางวิทยาศาสตรไหนท่านจะเน้นมากนะว่าความเข้าใจเรื่องสมมุตินี่เป็นสิ่งที่เราต้องมีเพราะม่งั้นนี่เราจะหลงสมมุตินะสิ่งเดียวกันนี่ เรารู้สึกต่างกันแท้ๆเพียงเพราะสมมุติต่างกันอย่างยกตัวอย่างเรื่องอาหารที่อยู่ในปากเราเนี่ยออกจากปากเรามันกลายเป็นขยะทันทีเลยทั้งที่อันเดียวกันแท้ๆนะเพราะฉะ น, นั้นการทําความเข้าใจสมมุตินี่เป็นเรื่องที่เราต้องต้องต้องรู้ทันนะแล้วก็อย่าเป็นท่าของมันรู้จักต้องรู้จักใช้สมมุติให้เป็นแล้วก็เตรียมรับพร